จเจริญพรทุกท่านการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นการฝึกอบรมจิตใจของเราให้เกิดสติให้เกิดปัญญาสติกับปัญญานี่แหละเป็นเครื่องมือสำคัญของชาวพุทธเรานี่เราจะฝึกให้มีสตินะจิตใจท่องอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมาแล้วร่างกายเคลื่อนไหวมันถึงจะรู้สึก จิตใจเคลื่อนไหวมันถึงจะรู้สึกแต่ถ้าเราไม่มีสติร่างกายเคลื่อนไหวเราก็ลืมจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราก็ลืมงั้นขั้นแรกเลยต้องฝึกให้มีสติรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจให้ได้พอมีสติแล้วเราก็ฝึกขั้นที่สองให้เกิดปัญญาปัญญาคือการเข้าใจความเป็นจริง ของกายของใจเนี่ยงานใหญ่ที่พวกเราชาวพุทธจะต้องเรียนเนี่อาภัพเหลือเกินาศาสนาพุทธเรานะาศาสนาของคนซึ่งต้องใช้สติใช้ปัญญามากเนศาสนาของคนที่ต้องพึ่งตัวเองมากนี่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถรองรับพระพุทธศาสนาไว้ได้จริงคนส่วนใหญ่เนี่ยจะหลงตลอดเวลา ลืมตัวเองตลอดเวลาสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นลืมกายลืมใจในโลกนี้หาคนรู้สึกตัวหายากมากในคนล้านคนจะมีสักกี่คนและคนที่รู้สึกตัวได้แล้วจะสามารถเจริญปัญญาได้ น, ะน้อยเต็มทีเลยการเจริญปัญญานะพูะพุทธเจ้าให้ความสำคัญสูงมากนะท่านบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา ถ้าไม่มีปัญญาตัวเดียวนยีอย่ามาพูดเรื่องมรรคผลเลยไม่มีทางปัญญาไม่ใช่ความฉลาดปัญญาเป็นความเข้าใจของจิตสติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจเนี่ยเครื่องมือสำคัญสองตัวนี้เราต้องพัฒนาขึ้นมาในใจเราให้ได้ถ้าพวกเราบอกเราเป็นชาวพุทธชาวพุทธถามว่าเป็นชาวพุทธยังไงถึงวันเกิดทีหนึ่งใส่บาตรเนี่ยเป็นชาวพุทธ อันนั้นด้อยเหลือเกินเวลาตายหามไปวัดเนี่เผาในวัดพุทธมีพระ ม, มาสวดกุศลาธรรมานี่ก็ด้อยมากเลยอย่างน้อยเกินไปเดี๋ยวนี้กระทั่งหมาตายนะถ้าเอาไปเผาในวัดก็มีนะบางวัดมีเผาศพหมาด้วยเพราะคนรักหมาเยอะเป็นชาวพุทธทั้งทีไม่ใช่แค่ทําทานเป็นชาวพุทธทั้งทีไม่ใช่แค่ถือศีล เป็นชาวพุทธทั้งทีไม่ใช่แค่นั่งสมาธิจะต้องฝึกสติฝึกปัญญาให้เกิดให้ได้ไม่งั้นเราเสียโอกาสที่จะเป็นชาวพุทธทั้งทีนานๆจะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นสักวงหนึ่งในเวลาที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยการทำทานการถือศีลการนั่งสมาธิมีอยู่ตลอดไม่เคยว่าง แต่การเจริญปัญญาเจริญสติเจริญปัญญานี่เฉพาะเมื่อมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นคำสอนอย่างนี้ถึงจะมีถ้าเราะระลึกได้ใคระระลึกชาติได้บ้างยกอษีมีไหมไม่มีเลยเหรอไม่มีก็ไม่เป็นไรเอาชีวิตนี้ก็ได้ในชีวิตนี้ตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ย เราเคยได้ฟังทมกี่ครั้งระหว่างการได้ยินได้ฟังธรรมะนะกับได้ยินได้ฟังเรื่องที่เป็นอาธรรมเนี่ยอันไหนเยอะกว่ากันวันๆหนึ่งแค่เปิดทีวีนะก็มีแต่เรื่องอาธรรมเต็มไปหมดแล้วเรื่องที่ยั่วกิเลสนะเรื่องที่จะบอกให้เรามีสติมีปัญญาอะไรนะหายากมากหรือเรานั่งรถหลวนะงพ่อมาจากชนบุรีผ่านมอเตอร์เวย์มามีคัดเอาใหญ่ๆเต็มไปหมดเลย คันเอาทั้งหลายเนี่ยเกือบทั้งหมดย่อกิเลสให้ซื้ออันนี้ให้ไปเที่ยวที่นี้ให้กินอันนี้มีป้ายบอกให้มีสติมมีอยู่อันเดียวอยู่ที่มอเตอร์เวย์โอกาสที่เราจะได้ยินได้ฟังธรรมะนะมีน้อยมีน้อยมากเลยเงินพวกเราอย่าให้เสียโอกาสในเวลาประมาณ40นาทีต่อไปนี้ หลวงพ่อไม่เทศยาวสมองของคนเรารับข้อมูลใหม่ๆได้ประมาณ45นาทีเท่านั้นนี่หลวงพ่อจะบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนคือการพัฒนาจิตใจตัวเองด้วยสติด้วยปัญญานี่แต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาที่เข้มข้นของการเจริญสติเจริญปัญญานะบอกเงื่อนไขก่อนเวลาฟังธรรมพวกเราต้องสำรวมนะ เวลาฟังธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านปรินิพานแต่ท่านบอกว่าให้ธรรมาวินัยเป็นศาสดาแทนท่านเพราะฉะนั้นในเวลาฟังธรรมเนี่ยมันมีความสําคัญเหมือนเรากําลังเข้าฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่หลวงพ่อเป็นพระพุทธเจ้านะแต่ธรรมะของท่านเป็นพระพุทธเจ้าเพราะั้นเราฟังด้วยความสํารวมฟังด้วยความเคารพแต่ไม่ถึงขนาดต้องนั่งขนมือหรอกแต่ฟังด้วยความรู้สึกตัวนะ ให้จิตใจมันอยู่กันเนื้อกับตัวฟังด้วยใจที่เปิดกว้างแล้วก็อย่าไปรบกวนสมาธิของคนข้างๆเรายุคนี้สิ่งทำลายสมาธินะมีมากเหลือเกินโดยเฉพาะโทรศัพทนะ์พวกเรามีทุกคนอ่ะบางคนมีมากกว่าหนึ่งเครื่องนะสละเวลาสัก45นาทีนี้ถาวายพระพุทธเจ้าช่วยปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนถ้าใครยังไม่ปิดช่วยปิดก่อน ถ้าปิดแล้วระหว่างนี้ก็ใยญ่ยกขึ้นมาถ่ายรูปนะไม่ต้องถ่ายรูปอย่างถ้าเราไปเฝ้าพระเจ้านะก็ถ่ายไปเรื่อยๆอย่างนี้นะท่านคงไม่เทศให้ฟังทำม้ามจะหายไปหมดเราสํารวจนะเราพร้อมหรือยังที่จะฟังเครื่องมือทําลายสติของคนข้างเคียงทำลายสมาธิคนข้างเคียงนะเรปิดเสียงปิดเสียงนั่นแหละะ แล้วก็งดถ่ายรูปเขาถ่ายไปแล้วไม่ต้องถ่ายเองถ้าอยากถ่ายรูปถ่ายตอนหนงพ่อตอบคำถามช่วงหลังนะตอนนั้นพวกเรายัางเคลื่อนไหวได้วกแวกได้แต่ระหว่างนี้สำรวมสำรวมกายสำรวมวาจาไปเทศบางที่นะคนคุยกันก็ เ, เคยนิ ม, มนต์หลวงพ่อไปเทศให้คนแก่ฟังชมรมผู้สูงอายุพอเริ่มเทศเ ท, ศเท่านั้นนะ แต่ละคนนะก็ควักตะบันหมากขึ้นมาทนะแล้วก็คุยกันเจาะแจ๊กเจแจ๊กเลยว่า อ, อย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้พระกาลังเทศแล้วก็มาคุยเล่นอย่างนี้มูสาวาตนะพูดในเวลาที่ไม่สมควรพูดศินดังพลอยเงือนเวลานี้เป็นเวลาที่พวกเราทาใจให้สบายหายใจซื้อหายใจแลารู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัว ให้จิตใจมอยู่กันเนื้อกับตัวไว้แล้วเราจะมาเรียนศาสตร์ชั้นสูงของพระพุทธศาสนากันศาสตร์อันนี้น่ะสมัยที่หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์เข้าไปเรียนท่านสอนให้เรียนจากครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะตั้งแต่หลวงปู่ดูลหลวงปู่สิมหลวงปู่เทศหลวงตามหาบัวหลวงพ่อพุธหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่ๆพวกนี้ สิ่งที่ท่านสอนหลวงพ่อก็คือสิ่งที่หลวงพ่อจะบอกกับพวกเราในวันนี้แหละแต่ตอนที่หลวงพ่อเทศใหม่ๆนะเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนเอาธรรมะภาคปฏิบัติแท้ๆของการเจริญสติปัญญาออกมาประกาศเนี่ยครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็ไม่เห็นด้วยท่านเคยบอกหลวงพ่อตรงๆเลยประโมทเทศยากเกินไปคารวะนะเทศให้ฟังแค่ทาทานตือศีลก็พอแล้ว หรือพามนั่งสมาธิไปแค่นั้นก็ทําไม่ได้แล้วประเทศถึงขั้นเจริญสติปัญญายากไปครูบาอาจารย์ปราโมทคาราวะขนาดนี้นะหลวงพ่อก็ครับครับครับแต่ไม่เชื่อก็ไมไม่เชื่อว่าหลวงพ่อภานาตั้งแต่เป็นค า, วารวะหลวงพ่อไม่ได้เก่งกว่าพวกเราหรอกแต่ว่าทนนะอดทนในการเรียนในการฝึกตัวเองตั้งแต่เจขวบไปเรียนกับท่านพร่รีพ่อพาไป ไปเรียนอนาพนาสติหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุดธหายใจออกโทรนับหนึ่งพุทโทรนับสองอะไรหายใจอยู่22ปีไม่เลิกเลยเวลาครูบาอาจารย์สั่งให้ทำอะไรเนี่ยทำไม่เลิกฝึกอยู่งั้ น, น่ะแต่ว่าท่านพอลีท่านอายุน้อยอายุสั้นไปเรียนกับท่านได้ไม่นานนะท่านก็สิ้นไปหลวงพ่อไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะสอนเจริญปัญญา ก็แค่รมนานาปัญสติฝึกให้มีสติเท่านั้นเองแต่มันไม่มีปัญญาจนอายุ29เจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตเจริญปัญญาขึ้นมาพอเจริญปัญญาเราฝึกสมาธิมานานแล้วพอมาเจริญปัญญาเนี่ยจิตที่มันมีสมาธิอยู่เนี่ยเจริญปัญญาได้คล่องแคล่วใช้เวลาไม่นานหรอกครูบาอาจารย์ท่านก็รับรองว่าเข้าใจแล้วละ่ะช่วยตัวเองได้ เราัราวาดก็ทำได้นะถ้าเราตั้งใจจะทำารวาสเองถ้าเทียบกับพระเนี่ยมีทั้งจุดเด่นมีทั้งจุดได้จุดได้อของฆรวาดก็คือทำไม่จริงจังทำบ้างหยุดบ้างบอกว่าจะปฏิบัติธรรมปฏิบัติได้วันสองวันก็เว้นวักนะเว้นไปเดือนหนึ่งแล้วมาทำใหม่หจุดอ่อนอีกข้อหนึ่งของฆรวาดคือสมาธิไม่มีพวกแวกสมาธิสั้นใจฟุ้งสั้นมากเลย แต่มีอุปกรณ์ทําลายสมาธิติดตัวกันทุกคนเลยคือเดี๋ยวก็ลายมาเดี๋ยวก็อย่างโน้นอย่างนี้มานะใจมันฟุ้งซ่านตลอดเลยนั้นจุดอ่อนของคราวาตก็คือทําไม่ต่อเนื่องแล้วก็ขาดสมาธิวอกแวกตลอดเวลาจุดอ่อนของนักบวชก็มีเหมือนกันสงบมากไปสงบมากไปวันๆไม่มีอะไรกระทบมันก็เงียบๆไปก็ไม่ได้ไม่ได้เจริญสติเจริญปัญญาสงบอย่างเดียว งั้นเราเป็นฆราวาสเนี่ยเราก็ต้องรู้จักหัดในสิ่งที่ฆราวาสหัดได้เวลาที่เรากระทบอารมณ์แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเรากระทบอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเราจะไปเริ่มต้นกรรมฐานแบบพระเนี่ยถ้าจะยากอย่างพระเริ่มต้นกรรมฐานนั่งสมาธิกันนั่งกันหลายปีนั่งกันตั้งแต่เป็นเนนฝึกกันมาเรื่อยๆห้าปี10ปีจิตสงบแนละ้วจิตสงบแล้วมาเดินปัญญา วิธีเจริญปัญญาของคนที่ทรงสมาธิมากก็คือพิจรารณากายมาดูกายกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถายานิกเหมาะกับคนเล่นฌานนะถ้าไม่ทรงฌานจริงดูกายไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกนี่กรรมฐานที่พวกเราควรจะทำเนี่ยมันไม่ใช่กรรมฐานดูกายหรอกส่วนใหญ่นะมันต้องดูจิตดูใจตัวเองจิตตานุปัสสนาเนี่ยเป็นกรรมฐาน ที่เหมาะกับพวกทิฏฐิจริตทิฏฐิจริตคือพวกคิดมากพวกเราคิดมากไหมคิดตั้งแต่ตื่นอ่ะคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ไปด้วยนะคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์คิดเรื่องนี้เกิดกุศลคิดเรื่องนี้โลภคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้หลงสังเกตไหมว่าความรู้สึกนานาชนิดเนี่ยตามหลังความคิดมาต้องคิดหน่อยหนึ่งนะถึงจะโกรธได้ต้องคิดนิดนึงนะถึงจะโลภได้ถ้าไม่คิดก่อนไม่เป็นหรอก นี่พวกเราคิดทั้งวันนะใจเราก็กระเพื่อมทั้งวันเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายใจที่วุ่นวายขนาดนี้เราจะมาฝึกให้เกิดสติเกิดปัญญาได้อย่างไรนนี้เอาแบบโตแล้วเรียนรัดเลยนะเพราะพวกเราเรียนมากนะักก็คงเรียนไม่ไหวอย่างเวลาที่เราจะฝึกสตนะิสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจ นี่ถ้าเราจะหัดดูความรู้สึกของตัวเองและทำยังไงจะเกิดสติเราต้องรู้อย่างหนึ่งนะว่าสติเนี่ยเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับไม่มีใครสั่งให้สติเกิดได้สติเกิดเมื่อมีเหตุให้เกิดงั้นหน้าที่ของเราคือทาเหตุของสติให้เกิดบ่อยๆอะไรเป็นเหตุให้เกิดสติในอาภิธรรมสอนนะเรื่องนี้ท่านบอกการที่จิตมันจำสภาวะธรรมได้แม่นยา เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติคือถ้าจิตเราจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดเองจิตจะจำสภาวะอะไรที่เรียกว่าสภาวะรูปธรรมทั้งหลายอย่างบางคนฝึกนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวฝึกรู้สึกเรื่อยๆหรือบางคนฝึกยืนเดินนั่งนอนยืนรู้สึกตัวนั่งรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวนอนรู้สึกตัวต่อไปเวลาร่างกายมีเคลื่อนไหว หรือเวลามันหายใจอยาโกรธขึ้นมาเนี่ยลมหายใจเปลี่ยนจังหวะพอเปลี่ยนจังหวะหายใจปุ๊บสติจะเกิดเองเลยเพราะมันเคยรู้การหายใจเนี่ยสาหรับพวกที่หัดทางกายนะแต่ถ้าพวกที่หัดทางจิตดูนามนธรรมดูสภาวะคือนามนธรรมทั้งหลายพวกนี้ดูง่ายพวกเรารู้จักสุขไหมรู้จักทุกไหมรู้จักโลภไหมรู้จักโกรธไหมรู้จักฟุ้งซ่านไหมรู้จักโขดหูไหมรู้จักหมดทุกตัว ดีก็รู้ชั่วก็รูนะ้หัดรู้บ่อยๆหัดรู้บ่อยๆแล้วสติจะเกิดเองเรามาประเมินตัวเองนะพวกเราในห้องนี้หลวงพ่อถามหน่อยคนไหนเป็นคนที่มีพื้นฐานขี้โมโหยกมือซิโมโหบ่อยกระทบอารมณ์นิดหนึ่งก็ไม่พอใจกระทบนิดหนึ่งก็ไม่พอใจในโชว์ตัวหน่อยซิโชว์ตัวหน่อยรู้ไหมมาจากไหน ชาติปังกอดมาจากไหนรู้ไหมเพราะขี้โลบไอขี้กโกรธ <c oughs> คนไหนขี้โลบบ้างเจออะไรก็ชอบไปหมดเลยเห็นอะไรก็อยากได้ชอปปิ้งไม่เลิกเลยประเภทนี้คนไหนฟุ้งซ่านคนไหนฟุ้งซ่านเก่งยกมือเสียที่นี่ออเ ร, ร, รอร์รู้ไหมข้ออะไรรู้ไหมปราถามว่าคนไหนขีโนะ้โกรธนะยกมือเยอะเลยคนไหนขี้โลบโยกนิดหน่อยตรงนี้ไม่ออเรอร์ เราถามว่าคนไหนฟุ้งซ่านยกน้อยยกมากกว่าชี้โลบนิดหน่อยอันนี้เพราะว่าดูไม่เป็นถ้าดูเป็นจะพบว่าฟุ้งซ่านเนี่ยนะมีมากที่สุดโมหะเป็นพื้นของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเลยจะโลบได้หรือจะโกรธได้ต้องฟุ้งซ่านนะงั้นที่บอกว่าไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยเขดูไม่เป็นนะค่อยๆหัดนะค่อยๆหัดสังเกตสภาวะ ถ้าเราสังเกตสภาวะได้บ่อยๆต่อไปสภาวะอะไรเกิดสติคือตัวรู้ทันจะเกิดขึ้นเองคนไหนที่โลบเราก็คอยรู้ทันวันๆหนึ่งโลบบ่อยเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวใจเราก็โลภเดี๋ยวใจก็ไม่โลภเดี๋ยวใจก็โลภเดี๋ยวใจก็ไม่โลภดูอย่างนี้เรื่อยๆไปต่อไปพอใจมันโลภขึ้นมาสติจะเกิดเองจะรู้ทันขึ้นมาว่าโอ้โลภแล้วพอรู้ทันความโลภก็จะหายไป เราก็มีสติรู้ทันว่าก็หายโลบแล้วจะเห็นอย่างนี้ถ้าคนไหนขี้โกรธนะก็ดูความโกรธเป็นตัวหลักเป็นเรียกว่าวิหาราธรรมวิหาราธรรมคือเป็นบ้านของจิตตัวที่เรารู้บ่อยๆรู้ประจำํำบ้านคือที่เราอยู่ประจําคนไหนขี้โกรธเราก็ใช้ความโกรดนี่แหละเป็นวิหาราธรรมเราก็จะเห็นว่าทั้งวันจิตมี2ชนิดคือจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเนี่ฝึกดูอย่างนี้เรื่อยๆ อันนี้คือหลักที่จะทําให้เราเกิดสติตรงกับที่พุทธเจ้าสอนในจิตตานุปัสสนาท่านสอนบอกว่าดูกราพิกสูทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะนี่1คู่สําหรับพวกลบมากดูไปจิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้คนไหนขี้โมโหก็ใช้หลักที่พุทธเจ้าสอน ดูกร้าพิสูจทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะคนไหนฟุ้งซ่านเก่งก็ดูไปดูกร้าพิสูจทั้งหลายจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะเนี่หัดดูอย่างนี้ดูจากสิ่งที่เรามีมากๆอย่างคนไหนขี้โกรธนะไม่ค่อยโลภอะ่ะเจออะไรก็ไม่ค่อยชอบเลยนะเห็นแต่ความหงุดหงิดน่ะก็อย่าไปอุตริใช้ความโลภใช้ราคะ เป็นเครื่องอยู่ของจิตเพราะนา้นนามจะเกิดทีหนึ่งเมื่อก่อนนั้นหลวงพ่อมีลูกศิษย์คนหนึ่งมันดื้อประเภทดื้อกรมพันธุ์เลยสอนเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ดื้อน้ําเที่ยงทุกเรื่องเลยหลวงพ่อบอกให้มันรู้ความรู้สึกงตัวเองนะมันบอกมันจะหาเครื่องอยู่เฉพาะตัวถ้าฟ้าร้องมันจะรู้สึกตัวบอกม่นจะได้เรื่องเลยเองเอ้ยปีหนึ่งฟ้าร้องกี่ทีทําไมไม่ดูของที่พระพุทธเจ้าให้ดูนะ ปีหรอฟ้าดีเดียนถ้ามันบอกฟ้าผ่าแล้วจะรู้สึกทีหนึ่งนี่นะยิ่งนานนาน น, านมีทีหนึ่ง <นะ S 1> หาของที่มีบ่อยๆที่เกิดบ่อยๆทําไมต้องของเกิดบ่อยๆเพื่อเราจะได้รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆเพื่ออะไรยิ่งรู้บ่อยจิตจะจําสภาวะได้แม่นถ้าจิตจําสภาวะได้แม่นเวลาสภาวะใดๆเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แล้วหน้าที่พวกเรานะทำสติปัฏฐานในเบื้องต้นหัดรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้นะอันนี้สําหรับคนที่ดูลบตรดหลงไม่ออกดูง่ายๆใจเป็นสุขรู้จักไหมใจที่เป็นสุขใจมีความสุขขึ้นมาก็รู้แล้วก็จะเห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราวล้วก็หายไปใจเป็นทุกข์ขึ้นมาก็รู้แล้วก็จะเห็นว่าความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเนี่เราจะเห็นอย่างนี้ อย่าตอนนี้ตอนหลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยรู้สึกไหมฟุ้งซ่านแอบไปคิดเรื่องอื่นมีคนเดินไปตัว น, นั้นมองตามเข้าไปปุ๊บลืมตัวเองเนี่ยจิตฟุ้งซ่านในขณะที่เราฟุ้งซ่านเราเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาเนี่ยใจเราไปอยู่ที่เขาเรามีร่างกายเราลืมร่างกายเรามีจิตใจเราลืมจิตใจนี่เรียกว่าขาดสติละเมื่อไหร่ไม่รู้ทันกายไม่รู้ทันใจของตัวเองเรียกว่าขาดสตินะจําไว้เลย ถ้ามีสติอยู่ก็เรียกว่ามีสติไม่ธรรมดาหรอกเรียกสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือสติรู้กายรู้ใจเราคอยรู้สึกไปโดยเฉพาะเราควรจะรู้ทันความรู้สึกทางใจของตัวเองให้มากเพราะอะไรเพราะว่าพวกเราเป็นพวกคิดมากแล้ววันวันหนึ่งเราได้รับข้อมูลข่าวสารมหาศาลเลยในขณะที่ตาเรามองเห็นความรู้สึกทางใจเราก็เปลี่ยนเห็นคนนี้ชอบเห็นคนนี้เกลียดอะเนี่ย เนี่ยคอยดูรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปรู้ไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะคนไหนขี้โมโหก็ดูไปเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายคนไหนขี้โลบนะเดี๋ยวก็อยากนี่เดี๋ยวก็หายอยากเดี๋ยวก็อยากอีกเดี๋ยวก็หายอยากเนี่ยดูอย่างนี้หรือฟุ้งซ่านแล้วก็รู้สึกตัวนะฟุ้งซ่านแล้วก็รู้สึกตัวเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆถ้าฝึกไปแล้วต่อไปเนี่ยเวลาความรู้สึกมันเกิดนะ เราจะรู้โดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้ตรงนี้แหละเรียกว่าสติมันเกิดละพวกเราเคยได้ยินคําว่าสติปัฏฐานไหมฟังได้ยินว่าที่นี่ฟังธรรมะเป็นระยะระยะนะถ้าไม่เคยได้ยินคําว่าสติปัฏฐานถือว่าใช้ไม่ได้เลยนะเสียแรงที่ได้เคยฟังธรรมถ้าไม่รู้เรื่องสติปัฏฐานเลยเนี่ยลำบากมากเลยพระพุทธเจ้าการเจริญสติปัฏฐานนั้นเป็นทางสายเดียวเลยนะเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้น การเจริญสติปัฏฐานมันมีสองขั้นขั้นที่1 cool ทําทำให้เกิดสติขั้นที่2ทํทำให้เกิดปัญญาการที่เราหัดรู้สภาวะบ่อยๆนั้นจะทำให้เกิดสติหัดรู้สภาวะบ่อยๆคนไหนขี้โลภความโลภเกิดก็รู้ความโลภหายไปก็รู้คนไหนขี้โกรธความโกรธเกิดก็รู้ความโกรธหายไปก็รู้ฝึกอย่างนี้นะหัดของเราเองทุกวันทุกวัน ความโลบความโกรดความหลงอะไรนี่มันเกิดตอนไหนมันเกิดตอนที่ตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสมันเกิดตอนที่ใจคิดนะเกิดตอนที่กระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองอย่างเราเห็นคนนี้ขึ้นมาเราก็เกลียดเห็นคนนี้เรารักอะไรอย่างนี้ได้ยินอย่างนี้เกลียดได้ยินอย่างนี้ชอบอนะไรอย่างนะีหรือคิดเรื่องนี้โมโหคิดเรื่องนี้สบายใจเนะี่ยความรู้สึกนี่มันจะเปลี่ยนตามการกระทบอารมณ์อยู่ดีๆความรู้สึกมันไม่เกิดขึ้นมาหรอก มันเกิดตามหลังผัสสะคือการกระทบอารมณ์มาเรามีตาเราก็ดูเรามีหูเราก็ฟังมีใจก็คิดอย่าไปฝึกกรรมาฐานชนิดไม่ดูไม่ฟังไม่คิดนะบางคนคิดว่าไม่ดูไม่ฟังไม่คิดแล้วก็จะดีถ้าอย่างนั้นคนหูหนวกคนตาบอดนะจะบรรลุมากผลก่อนเราแต่เขาไม่ได้บรรลุก่อนเราใช่ไหมถ้าเรารู้หลักแล้วล้วก็เรามีตาเราก็ดูพอดูไปแล้วความรู้สึกมันเกิดความรู้สึกเกิดให้เรารู้ทันหัดรู้เรื่อย ต่อไปมันจะเคยชินที่จะรู้เพราะมันเคยชินที่จะรู้เพราะความรู้สึกเกิดเนี่ยมันจะรู้โดยไม่เจตนาจะรู้พารู้โดยไม่เจตนาจะรู้เนี่ยเรียกว่าสติตัวจริงของเราเกิดแล้วนะหัดสังเกตนะหัดสังเกตสภาวะไปเรื่อยๆเลยแล้วการต่อยอดขึ้นสู่การเจริญปัญญาทำยังไง การที่มีสติเนี่ยเราจะรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายมีอะไรเกิดขึ้นในใจเช่นมีความรู้สึกเกิดขึ้นมีความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นพอโลภโกรธหลงเกิดเรารู้ทันนี่ก็มีสติส่วนตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัวเข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏอยู่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วก็หายไปเรียกว่านิจจงของเคยมีแล้วมันไม่มีคําว่าทุกขังเนี่ยก็คือของซึ่งกําลังมีอยู่เนี่ย กำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีถูกบีบคั้นให้สลายอยู่นะอนัตตาหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้ามีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้การเจริญปัญญานั้นจะต้องเห็นไตรลักษณนะ์ด้วยจัดไตรลักษณ์ใช่ไหมไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาพูดง่ายนะแต่เห็นยากนะถ้าจิตไม่ทรงสมาธิที่ถูกต้องจิตไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะไม่เห็นไตรลักษณ์ ได้แต่คิดเรื่องใจรักแต่ไม่เห็นใจรักนี่เบื้องต้นเราต้องฝึกให้มีสตินะความรู้สึกอะไรเกิดรู้ทันรู้ทันุทั น, ทนแล้วเราจะต้องมาพัฒนาเครื่องมืออีกตัวหนึ่งก่อนที่จะเกิดปัญญาเครื่องมือตัวที่2นอกเหนือจากสติก็คือสมาธิสมา ธ, มาธิมีหลายชนิดต้องระมัดระวังนะสมาธิส่วนใหญ่ที่เขาฝึกกันนั้นคือมิจฉาสมาธิฝึกแล้วก็เคริบเคลิม้มลืมเน้อลืมตัวฝึกแล้วก็สลบไปเลยนะ เพนะหรือไม่ก็ฝึกแล้วเครียดนะฝึกแล้วก็ใจแข็งอย่างนี้เลยนะแข็งพวกนี้พวกมิจฉาสมาธินะหรือฝึกแล้วเห็นโน้นเห็นนี่ไม่เห็นตัวเองไม่เห็นกายไม่เห็นใจหลวงพ่อนี่แหละฝึกมาแต่เด็กฝึกแล้วเที่ยวเห็นเทวดาเห็นสวรรค์เห็นอะไรนะแต่นรกไม่ยอมไปดูกลัวผีอย่างนี้เรียกมิจฉาสมาธินะไม่ใช่สมาธิที่ดีสมาธิที่ดีเนะี่ยมีสองอย่าง สมาธิอย่างที่หนึ่งแต่สมาธิที่ดีเนี่ยมีมีตัวร่วมกันอย่างนึงนะคือมีสติถ้าขาดสติเมื่อไหร่จะเป็นมิจฉาสมาธิทันทีเลยต้องมีสตินะจำไว้เลยนะนี่เป็นกฎเลยถ้าขาดสติแล้วก็เป็นมิจฉาสมาธิเลยโมหะมครอบความหลงความงมงายเป็นครอบหรืออารมณ์ราคะโทสะมันครอบนี่สมาธิที่มีสติมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยยังมี2อชนิด ชนิดที่หนึ่งเราต้องการพักผ่อนเราทําสมาธิชนิดที่ให้จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็น1เช่นเราหัดพุทโธพุทโธเราไม่คิดเรื่องอื่นเลยจิตคิดแต่คําว่าพุทโธจิตเป็นหนึ่งคือเป็นผู้รู้คําว่าพุทโธอารมณ์เป็นหนึ่งก็คือมีแต่คําว่าพุทโธอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกร <man> ู้นะจิตคือผู้รู้อารมณ์ถ้าจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วก็เป็นสมถกรรมฐาน เนสมรรถกรรมฐานทำไปเพื่อความสุขเพื่อความสงบเพื่อให้มีเรี่ยวมีแรงนะสมาธิอีกชนิดหนึ่งจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตเป็นหนึ่งนะจิตไม่แปลสภาพเป็นอย่างอื่นเลยจิตคงสภาวะแห่งความเป็นผู้รู้อยู่อย่างเดียวนี้แหละแต่อารมณ์นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะจิตเป็นแค่คนดูอารมณ์เนี้ยผ่านเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่จิตเป็นคนดู ถ้าจิตสามารถเป็นคนดูได้เรียกว่าเรามีสมาธิชนิดที่ถูกต้องล้สมาธิที่จะใช้เดินปัญญานะครูบาอาจารย์วัดป่าตก่อนท่านจะเรียกคํานี้ว่าจิตผู้รู้คําว่าจิตผู้รู้เนี่ยหายไปจากวงกรรมฐานเราสามสปีนี้เออก็จะนั่งสมาธิเอาความสงบไม่ได้มุ่งที่ตัวผู้รู้งั้นพวกเราต้องมาฝึกนะฝึกให้จิตเราเป็นผู้รู้ก่อนสอนให้ฝึก2 อ, อย่างแล้วนะอันแรก ฝึกให้มีสติด้วยการหัดรู้สภาวะบ่อยๆรู้ความรู้สึกตัวเองบ่อยๆไปความรู้สึกอะไรเกิดคอยรู้รู้ไปต่อไปความรู้สึกเกิดจะรู้ได้เองโดยไม่เจตนาจะรู้นะอย่างที่สองการฝึกให้มีสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นกับสมาธิชนิดที่สงบจะฝึกจิตให้สงบนะถ้าฝึกได้ก็ควรฝึกถ้าฝึกสมาธิสงบไม่ได้ต้องฝึกสมาธิตั้งมั่นให้ได้อย่างน้อยต้องเอาให้ได้ตัวหนึ่งแล้วตัวที่ควรจะต้องเอาให้ได้คือสมาธิชนิดตั้งมั่น สมาธิสงบเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมะก็คืออารมณ์จิตสงบอยู่ในอารมณ์มเดียวนะถ้าเราจะต้องการทำความสงบเนี่ยมีเคล็ดลับถ้าเข้าใจเคล็ดลับแล้วการทำความสงบจะไม่ใช่เรื่องยากเคล็ดลับของการทำสมาธิชนิดสงบนะต้องรู้จักเลือกอารมณ์ถ้าอารมณ์ใดจิตของเราชอบรู้อารมณ์นนั้นแล้วมีความสุขจิตจะสงบง่ายถ้าอารมณ์นั้นไม่ถูกกับ น, นิสัยเรา เราไปอยู่กับมันไม่สงบแน่นอนคล้ายจิตเนี่ยเหมือนเด็กเราจะให้มันไม่สุกสนนะเราก็หาขนมที่มันชอบไปล่อไปหาของที่มันเกลียดไปล่อนะมันก็หนีไปที่อื่นนี่มันก็สุกสุกซนต่อไปงั้นถ้าใครชอบพุทธโธให้พุทธโธแต่พุโทโธด้วยความมีสติถ้าใครชอบรู้ลมหายใจให้หายใจแต่หายใจด้วยความมีสติรู้เนื้อรู้ตัวไม่ให้เคลิ้มไม่ให้เลืมตัวไม่บังคับจิตให้สงบด้วยนะ แค่น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขแล้วมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสบางคนบอกว่ามีความสุขมากเลยที่ได้ด่าคนอื่นด่าตั้งแต่เชา้ายันค่ำอย่างนี้สมาธิจะไม่เกิดนะเป็นมิจฉาสมาธิเลยเพราะกิเลสมันเกิดนะแต่ถ้าจะเป็นสมาธิที่ดีเนี่ยต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะอย่างพุโทโธไม่ยั่วกิเลสอานาปนสติรู้ลมหายใจนะรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่ง อารมณ์อย่างนี้ไม่ยั่งกิเลสนะเรามาหัดรู้อารมณ์สักอย่างหนึ่งนะพุโทโธไปอะไรไปก็ได้ไม่ชอบพุโทโธจะเอาทำโมสังโฆอะไรก็ได้หรือสวดมนต์สั้นๆก็ได้หรือเราไปทําบุญทําทานมานะคิดถึงทานคิดถึงศีลที่เรารักษาไว้ดีแล้วเนี่ยสมาธิจะเกิดทางนั้นเลยหรือคิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆนะคิดถึงพระพุทธเจ้าท่านมีพระคุณนะมีปัญญาที่คุณมีบริสุทธิ์นะมีกรุณาเนี่ย เฝ้าพิจารณาคิดถึงไปใจก็สงบนะเนี่ยดูนะรู้จักเลือกอย่าเรียนแบบคนอื่นทํากรรมฐานไม่มีสูตรสําเร็จรูปนะว่าอันไหนดีที่สุดกรรมฐานนั้นเหมาะกับคนแต่ละคนเราเหมาะกับกรรมฐานแบบที่เราเหมาะไม่ใช่แบบที่คนอื่นเขาเหมาะนะเพั้นหลวงพ่อไม่จัดคอสนะมามานั่งพร้อมๆกันมาเดินพร้อมกันนั่งท่านี้เดินท่านี้กินข้าวพร้อมกัน ไม่จัดอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยจัดท่านแสดงหลักธรรมให้ฟังแล้วทุกคนก็แยกย้ายไปปฏิบัติแล้วไปเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองเราไปสังเกตตัวเองนะว่าเราไปอยู่กับอารมณ์ชนิดใดที่เป็นกุศลอะแล้วจิตใจเรามีความสุขให้ไปนึกถึงอารมณ์นั้นบ่อยๆแล้วสมาธิชนิดสงบจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเห็นไหมสอนอัตโนมัติหมดเลยนะสติก็ฝึกจนอัตโนมัติสงบก็สงบอัตโนมัติได้นะ สมาธิที่ให้เกิดปัญญาก็ต้องฝึกให้อัตโนมัติสมาธิที่ให้เกิดปัญญาเนี่ยจิตมันเป็นคนดูเห็นอารมณ์ผ่านไปเหมือนเรายืนอยู่บนตึกนะมองลงไปที่ถนนเห็นรถวิ่งไปวิ่งมาเราไม่โดดลงไปในรถถ้าเราขึ้นรถคันหนึ่งแล้วก็เคลื่อนไปด้วยกันนะมันคือสมาธิที่อยู่ในอารมณ์เดียวจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเหมือนเราขึ้นรถคันหนึ่งแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยนะแต่ถ้าสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเหมือนเราอยู่บนตึก เห็นรถมันมารถมันไปมาทางซ้ายมาทางขวาใจเราไม่วิ่งตามมันเราเป็นแค่คนดูพอเราเป็นแค่คนดูได้เราจะเห็นว่ารถทุกคันมันมาแล้วมันก็ไปแล้วเปลี่ยนจากคําว่ารถมาเป็นคําว่าอารมณ์จิตของเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากเราก็จะเห็นว่าอารมณ์ที่ดีมาแล้วก็ผ่านไปอารมณ์ที่ชั่วมาแล้วก็ผ่านไปโลบโกรดหลงมาแล้วก็ไปความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปใจเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปตามอารมณ์ไปนะ ใช่ความสุขมาก็เพลิดเพลินความทุกมาก็เศร้าโศกนะไม่ใช่เนี่ยเราต้องมาฝึกใจให้เป็นคนดูวิธีที่จะฝึกให้ใจเป็นคนดูได้นะให้คอยรู้ทันเวลาใจมันเคลื่อนไปใจของเราเคลื่อนที่ได้นะใจมันชอบเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปทางตาเคลื่อนไปทางหูเคลื่อนไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจใจมันวิ่งไปวิ่งมาได้นะทดสอบดูนะลองหลับตาซิแต่ห้ามนอนหลับนะหลับตาแล้วก็ เอาความรู้สึกของตัวเองไปไว้ที่ผมทรงจริตไปอยู่ที่ผมซิเอาเปลี่ยนต่อไปทรงจริตไปอยู่ที่หูข้างขวาลองทํานะอย่าดือ้อเอาจิตไปไว้ที่หูขวาเอาเปลี่ยนเอาจิตไปไว้อยู่ที่หัวแม่มือซ้ายเอาเปลี่ยนเอาจิตไปไว้ที่เท้าเลย ข้างไหนก็ได้เอาลืมตาขึ้นมาหายใจแรงๆทีนึงแล้วก็ยิ้มหวานๆยิ้มหวานทีนึงเห็นไหมเห็นไหมจิตกลับมาอยู่กับตัวเองได้แล้วเห็นไหมยิ้มหวานๆจาไม่นานี่เคล็ดลับนะทําไมยิ้มหวานๆแล้วใจมันกลับเข้ามาความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิดังนั้นถ้าใจเรามีความสุขนะแล้วก็มีสติเรารู้ว่าร่างกายกําลังยิ้มอยู่เนี่ยใจมันจะกลับเข้ามา จะมาอยู่กับเนื้กับตัวง่ายๆโทสมาธนะิเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่าใจมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้เอาใหม่นะหลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งห้ามพวกเราคิดนะห้ามคิดน ะ, ะเริ่มอพอละลืมตายิ้มหวานยิ้มหวานเนี่ยคล้ายๆล้มกระดานนะอาที่ทำอยู่สังเกตไหมที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ให้คิดนะ่ะจิตมันคิดได้เอง ถูกไหมเมื่อกี้มันหนีคิดได้เองเนี่ยหัดรู้ทันอย่างเนี้ยจิตมันไปดูก็รู้ทันจิตมันไปฟังก็รู้ทันจิตมันไปคิดก็รู้ทันจิตไปอยู่ที่ไหนก็รู้ทันมันจิตไปอยู่ที่ผมไปอยู่ที่คิ้วไปอยู่ที่คางไปอยู่ที่มือที่เท้ารู้ทันมันถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัตินี่ความประหลาดมันอยู่ตรงนี้นะรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติ ถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนเราอย่าไปเคลื่อนตามมันไปอย่างที่แรกที่หลวงพ่อบอกให้ดูผมดูอะไรบอกให้เคลื่อนตามมันไปถ้าอย่างนั้นจะสงบเฉยๆจิตจะไปสงบในอารมณ์เดียวคือไปอยู่ที่ผมอันนั้นเป็นสมาธิชนิดที่1 น, นะแต่ถ้าหากจิตของเราต่อไปเรารู้ทันแนละ้จิตมันเคลื่อนเป็นอย่างนี้เองเพราะจิตมันเคลื่อนปุ๊บเรารู้เองนะจิตเราจะตั้งมั่นจะเกิดสมาธิอย่างที่สองนะตรงนี้ฟังยากนิดหนึงนะแล้วในเวลาที่จํากัดเนี้ยฟังยาก เขาคงอัดเทปไว้แล้วไปฟังใหม่นะจะแน่มาจากไหนก็ตามนะขอให้ฟังหลายหลาทีหน่อยเราจะรู้ว่าไม่ค่อยแน่เท่าไรหร่หรอกฟังนะฟังให้มันได้ประโยชน์จริงๆอย่าให้เสียชาติเกิดเลยไหนไหนก็เพราะพระพุทธศาสนาแล้วนะเรียนศาสตร์ให้เกิดสติให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องทั้งสงบทั้งตั้งมั่นแล้วถึงเดินปัญญาการเจริญปัญญานะนะั้นเราใช้จิตใจที่ตั้งมั่นน อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะรู้สึกแล้วต่อไปมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในร่างกายในจิตใจโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยให้ดูจิตใจไว้มีอะไรเกิดขึ้นในใจเราสติเป็นตัวรู้ทันจิตตั้งมั่นเป็นคนดูปัญญาจะเกิดมันจะเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดนั้นดับทั้งสิน้นความสุขก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดั บ, โ, บโลบโกรธลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับตรงที่เราเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดแล้วดับไปนะั่น นั่นแหละคือคําว่าเจริญปัญญานะเจริญปัญญาไม่ใช่การนั่งคิดนั่งคิดว่าร่างกายนี้เกิดขึ้นมาแล้วโตขึ้นมาต่อไปก็ตายอันนั้นไม่ใช่การเจริญปัญญาในขั้นที่หลวงพ่อพูดนะอันนั้นเป็นสมถะกรรมาฐานนะพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอาสุภะพิจรารณาความตายนะอันนั้นเป็นเรื่องของสมถะทําให้ใจสงบแต่ว่าสิ่งที่สอนให้เนี่ยนะสอนให้เกิดปัญญา คือเห็นความจริงของรูปนามกายใจเราไม่ต้องเริ่มจากรูปเพราะว่าเราไม่ได้ทรงสมาธิพอเราดูความรู้สึกความรู้สึกของเราเปลี่ยนทุก ค, คราวที่ตามองเห็นที่หูได้ยินเสียงที่จมูกได้กลิ่นที่ลิ้นได้รสที่กายกระทบสัมผัสความรู้สึกของเราเปลี่ยนเมื่อใจเราคิดคิดเรื่องนี้เป็นสุขคิดเรื่องนี้เป็นทุกข์คิดเรื่องนี้โลภโกรธหลงแล้วใจของเราเป็นคนดูพอเกิดความโลภขึ้นมาใจเราเป็นคนดูเราจะเห็นว่าความโลภกับใจนะกับจิตเราเนี่ย เป็นคนละอันกันเวลาเกิดความโกรธขึ้นมานะใจเราตั้งมั่นเป็นคนดูเราจะเห็นว่าความโกรธกับใจเราเนียเป็นคนละอันกันตรงเนี้ยที่เรียกว่าการแยกขันนะถ้าแยกธาตุแยกขันไม่ได้นะลหลวงตามหาบัวสอนเลยนะฟันธงเลยนะว่าอย่ามาคุยกับเรานะว่าเจริญปัญญาถ้าจะเจริญปัญญาเนียต้องแยกได้อย่างเห็นว่าความสุขกับจิตเนียเป็นคนละอันกันนะความดีกับความชั่วทั้งหลายเนียกับจิตเนียก็คนละอันกัน ต้องหัดดูอย่างนี้นะพอเราเราจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนะตัวนี้ฝึกจากการที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนแล้วจิตจะไม่เคลื่อนตั้งมั่นขึ้นมาแล้วอาศัยสติที่เราฝึกไว้ชำนาญในการรู้สภาวะทั้งหลายความโลภโกรธหลงอะไรเกิดแล้วคอยรู้บ่อยๆนะต่อไปเวลาจิตเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะพอตามองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนมันจะเห็นว่าความรู้สึกกับจิตเนี่ยเป็นคนละอนกัน ความรู้สึกเกิดแล้วก็ดับไปความรู้สึกนั้นสั่งไม่ได้เราจะเกิดสุขหรือเกิดทุกข์เกิดดีหรือเกิดชั่วเราเลือกไม่ได้ควาว่าเลือกไม่ได้เรียกว่าอนัตตาการที่ความรู้สึกทั้งหลายอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเรียกว่าอนิจจังเวลาดูจิตดูใจเนี่ยจะเห็นอนิจจังอนัตตาง่ายถ้าดูกายจะเห็นทุกขังอนัตตาง่ายเวลาใครสวรดมนมต์ธรรมวัตเช้าเป็นบ้างใครใครสวรดบ้างหมมีไมธรรมวัตเช้า มีอยู่บทหนึ่งเขมได้แม่รู ป, ปังอนิจจังเวทนาอนิจจาใช่ไหมแล้วก็กระโดดขึ้นเลยรู ป, ปังอนัตตาใช่ไหมสงสัยแม่ทําไมไม่มีรู ป, ปังทุกขังอะเนี่ยตรงนี้ไม่มีทุกใช่ไหมเพราะอะไรการสอนเรื่องขันห้าเนี่ยในขันห้านะมีรูปหนึ่งมีนามนธรรม4ขันห้าเนี่ยเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าใช้สอนพวกที่ชอบดูจิตนะถ้าดูกายจะสอนอายตนะหก็ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นส่วนของรูปธรรมนะ แลใจอันเดียวเป็นนามธรรมาการที่ท่านสอนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปตัวเดียวเป็นเป็นรูปธรรม4ตัวเป็นนามธรรมาอันนี้เหมาะกับพวกที่ชอบดูจิตดูใจตรงเนี้นะสิ่งที่เวลาเราดูจิตดูใจเนี่ยไตรักษณ์ที่เห็นได้ง่ายคืออนิจจังกับอนัตตาท่านเลยสอนอยู่แค่นั้นแหะเพราะมันเห็นง่ายดูทุกขังยากนะดูจิตให้เป็นทุกขังนี่ยากนะ ยิ่งจิต ท, ทรงสมาธิจิต ท, ทรงฌานนะโ้ดูยากที่สุดเลยนะงั้นเราหัดดูไปนะเราจะให้เห็นรองพระจะพูดภาษาไทยที่ง่ายๆแล้วนะนี้พูดวิชาการชักจะมากไปเดี๋ยวยงงเวลาเรามองเห็นใจเราโกรธขึ้นมาให้รู้ทันแล้วเราก็จะเห็นว่าความโกรธมันเกิดได้เองแล้วอยู่ไม่นานมันก็หายไปนะเวลาเราได้ยินเสียงเราเกิดชอบใจเนี่ย เราก็จะเห็นว่าความชอบใจมันเกิดได้เองแล้วมันอยู่ชั่วคราวมันก็หายไปนะเวลาเรากินของอร่อยใจเราชอบเราก็เห็นเลยความชอบอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะใครชอบกินอะไรบ้างลองไปลองดูนะสมมตินะว่าชอบกินทุเรียนสมมติอย่างนี้กินทุเรียนไปซื้อมาสัก5้าหลูกแล้วกินไปเรื่อยๆแล้วดูซิความชอบมันเปลี่ยนไหมนะจะเปลี่ยนตลอดเลยนะเนี่ยคอยดูไปหัดง่ายๆ คนไหนตะกละนั้นก็ทำกรรมฐ า, านกินไปแล้วก็รู้ทันความรู้สึกไปนะพอบรรู้พาาระอรหันต์ก็เป็นตุ่มเลยเคลื่อนที่ <c oughs> อย่าไปคิดว่าการปฏิบัติรรมันยากนะกรรมฐ า, านที่เหมาะกับพวกเราก็คือรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปความรู้สึกของเราเปลี่ยนทั้งวันถ้าเรารู้ทันความรู้สึกที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่นานปัญญามันก็เกิดเกิดว่ายังไงเกิดได้ว่า สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปจะเห็นอย่างนี้จะเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปให้หัดรู้หัดดูอย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วมันจะไม่ใช่เรื่องยากนะสรุปถือศีลห้าต้องมีศีลศีลนะห้าไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนตัวเองก็คือไปกินเหล้าเมายาขาดสติเบียดเบียนคนอื่นทางกายทรายร้ายทางกาย เขาก็ผิดศีลข้อหนึ่งทำร้ายทรัพย์สินเขาผิดศีลข้อ2องไปทําร้ายสิ่งที่เขารักคนที่เขารักผิดศีลข้อ3ามหรือเราไปด่าว่าเขาอะไรนี้หรือไปไปพูดมุสาเนี่ยนะทำผิดศีลได้ข้อ1นึข้อ4ก็ยังได้ด้วยนะไปใส่ร้ายเขาอะไรเงี้ยทำให้เขาเสียชื่อเสียงชื่อเสียงก็เป็นสิ่งที่เขารักหรือไปพูดยุยงให้คนอื่นไปฆ่าเขาเนี่ยก็ทําได้ ไปพูดล่อลวงเอาทรัพย์สมบัติเขาก็ทำได้ใช่ข้อ4่เนี่ยเป็นตัวสำคัญนะไปทาพาทำผิดศีได้ทุกข้อเป็นเครื่องมือของการทำผิดศีได้อย่างดีเลยนะถือศีลหแล้วทุกวันต้องฝึกกรรมฐานขอเวลา15นาทีถวายพระพุทธเจ้าปฏบิบัติบูชาพระพุทธเจ้านะ15นาทีแบ่งเวลาไว้ไหว้พระสวดมนต์สองนาทีพอแล้วอย่าสวดยาวยกเว้นจะใช้กรรมฐานสวดมนต์ สวดมนต์ไปแล้วก็รู้ทันจิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้สวดทั้งวันเลยนะสวดไปได้ทั้งวันเลยอย่างลงตามหาบวรท่านบอกพุโทโธพุทโธนี่ท่านพุทธโธได้ทั้งวันเลยแล้วท่านก็เห็นจิตใจมันเปลี่ยนไปเรื่อยเ่อย่างนั้นใช้ได้นะเราสวดมนต์นิดหน่อยเวลาที่เหลือเนี่ยทำกรรมฐานถ้าวันไหนฟุ้งซ่านน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขจิตใจจะได้สงบได้พักผ่อน วันไหนสงบแล้วให้คอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานเช่นพุโทโธพุทโธมันหนีไปให้รู้ทันหายใจอยู่มันหนีไปให้รู้ทันพอรู้ทันนะโดยที่ไม่บังคับไว้นะไม่แค่วห้ามหนีเนี่ยบังคับมากไปอย่างนี้ไม่ได้นะจะทื่อๆเสื้อไล่เนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะจะแน่นให้แค่รู้ทันรูว่ามันหนีหนีแล้ ว, ว ร, รู้ว่าหนีใช้ได้ถ้ากลัวมันหนีแล้วบังคับไม่ให้หนีสุดโต่งไปข้างบังคับ เป็นอัตตาจิลมัฏฐานยุยกใช้ไม่ได้นะงั้นหนีไปให้รู้ทันเนี่ยแบ่งเวลาไว้อย่างนี้เลยนะไหว้พระส่วนมนต์นิดหน่อยแล้ววันไหนฟุง้งซ่านมากเลยนะก็พุทโธไปหายใจไปน้อมใจไปอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจใจก็สงบอย่าอยากสงบถ้าอยากสงบจะไม่สงบแค่นึกถึงพุทโธนึกถึงลมไปเรื่อยๆเดี๋ยวสงบเองอย่างนั้นถึงจะใช้ได้นะแล้ววันไหนสงบแล้วมีเรื่องมีแรงแล้วก็หัดฝึกสมาธิชนิดที่2ชนิดตั้งมั่น โดยการทํากรรมาฐานอย่างเดิมนั่นแหละแต่ไม่ได้น้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์ทํากรรมาฐานอย่างเดิมแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปนะจิตมันหนีไปเรารู้จิตมันหนีไปเรารู้จะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาถัดจากนั้นนะเมื่อเวลาตามองเห็นความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเกิดขึ้นให้รู้ทันก็จะเห็นว่าตู้อย่างมันชั่วคราวเมื่อหูมันได้ยินเสียงจิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูมันก็จะเห็นว่า ความสุขความทุกข์ความดีความชั่วที่เกิดขึ้นนั้นเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับไปเมื่อใจมันคิดจิตเราเป็นแค่คนดูอยู่เราก็จะเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่เรียกว่าการเจริญปัญญาเราดูซ้ําแล้วซ้ําอีกนะถึงจุดหนึ่งจิตมันจะปิ๊งขึ้นมาว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับอันนั้นเราจะเข้าถึงธรรมะแล้วถ้าเข้าถึงตรงนี้ได้ก็ปลอดภัยนะ ปลอภัยเป็นพระโสดาบันฆราวาสก็เป็นได้นะไม่ใช่ว่าเป็นได้แต่พระหรอกงั้นอยู่ที่เราจะฝึกให้ถูกหลักไหมเออาจะนั่งสมาธิเอาความสงบอย่างเดียวแล้วหวังจะได้มรรคผลนิพพานนะห่างไกลเหลือเกินนะคนละเรื่องเลยนะไม่พอพอจําได้ไหมถือศีลห้าแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติสักสินาที20สนาทีนี่แหละนะถ้าวันไหนฟุ้งก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่สบายๆเดียวก็สงบได้พักผ่อน พอมีเรี่ยวมีแรงแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปเที่ยวหนีไปคิดนะเนี่ยถ้าจิตจะตั้งมัน่นจิตตั้งมั่นแล้วต่อไปนี้ฝึกปฏิบัติอยู่ในชีวิตจริงเลยออกจากห้องกรรมฐานมากวาดบ้านเห็นร่างกายกวาดบ้านใจเป็นคนดูกวาดไปกวาดมาโมโหว่าคนอื่นทำโสมกปลกเรากวาดอยู่คนเดียวเห็นใจที่โกรธก็จะเห็นว่าความโกรธเกิดแล้วขดับไปนะเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะอย่างหน้าหนาวอย่างเงี้ยแต่คนกรุงเทพไม่ค่อยรู้สึกนะคนมั่นนอกรู้สึก ไม่มีน้ำร้อนอเครื่องทำน้ำร้อนน้ำอุ่นอะไรอาบนี่อาบ น, น้ำในตุ่มเนี่ยหน้าหนาวแค่เห็นตุ่มใจก็กลัวแล้วนะเห็นแล้วสยองอะ่ะเนี่ยสยองรู้ว่าสยองแล้วอาบไหมก็อยู่ที่เหตุผลสมควรอาบก็ อ, อาบก็เท่านั้นเองนะได้ฝึกอย่างนี้นะแล้วในเวลาไม่นานหรอกเดวันเดเดือนเจดปีควรจะได้อะไรบ้างนะไม่ใช่เรื่องเดือวิสัยที่พวกเราจะทา เรา ว, วาจะเทศให้สั้นๆนะเห็นพวกเราเกิดความสนใจที่ฟังแล้วฟังรู้เรื่องด้วยโดยเทศยาวกว่าที่คิดไว้ผสมขวนแก่เวลาละต่อไปใครจะส่งกันบ้านว่าม า, าเห็นไหมว่าตื่นเต้นเออตื่นเต้ต น, ตตนตเห็นไหมว่าข่มมาไว้มันแข็งๆดูออกไหมเออให้รู้ทันอย่างที่มันเป็นไม่ห้ามอาวาไปเวลานั่งสมาธิแล้วมันชอบ มันเหมือนม่วงอะค่ะ ม, <อ>มันมันโมหะครอบเพราะว่าหนูเริ่มต้นโดยการจะให้มันสงบแล้วมันน้อมใจไปใจมันเคลื่อนไปลองนั่งซิเน่ไม่ทันไรก็เริ่มน้อมละสึกไหมถ้าน้อมอย่างนี้พอออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ออกมาแล้วก็อย่างนี้เพราะอะไรเพราะตอนเริ่มต้น อ, อย่างเงี้ยพอลืมตาขึ้นมาก็เลย มันผิดตั้งแต่เริ่มแล้วนั่งสมาธิอย่าให้ขาดสติของเรามุ่งเอาทุ่งเอาความสงบมากไปนะพอเรามุ่งเอาความสงบไปเราน้อมจิตให้ดิ่งเข้าไปโมหะมันครอบใจมันจะซึมนะต่อไปเปลี่ยนใหม่ทำสมาธินะไม่ทิ้งสติเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูสงบไม่สงบก็ช่างมันนะฝึกอย่างนี้นะเราจะหายที่ง่วงอนะ่ะ หรอว่าถ้าเปลี่ยนเป็นนั่งเราลืมตาได้ไหมคะลืมตาบางคนก็หลับในนะตามันลืมอย่างเงี้ยข้างในมันก็หลับได้อีกนะแต่ก็ดีกว่าหลับตาจะพอลืมตาหรือว่าเดินจงกรมมันชอบฟุ้ ง, งมันฟุง้งมันฟุ้งนะแต่อย่ากลัวอย่ากลัวฟุง้งคือหลับตาก็ได้แต่ต้องไม่น้อมใจให้ซึมลงไปของหนูที่ผิดอ่ะคือพอหลับตาปุ๊บเนี่ยน้อมใจให้ไหลลงไปเงี้ยนึกออกไหมหลวงพ่อทำท่ายะ มันพยายามจะให้ดิ่งเพื่ออะไรคิดว่าสมาธิจะเกิดเมื่อจิตมันดิ่งๆอย่างนี้เลยช่วยมันมุดลงไปโมหามจะเข้าตรงนี้นะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวจะหลับตาจะลืมตาก็รู้สึกตัวไปถึงเวลาจิตมันสงบของมันเองเวลาจิตสงบนะมันยังรู้เนะื้อรู้ตัวอยู่นะนสว่างสวัยมันไม่ไม่ซึมเลยไม่มืดหรอกเขาหนูนั่งไปว่ามันมืด ให้หลวงพ่อแนะนําวิธีการแยกขันธ์ห้าที่เป็นนามธรรมอะค่ะเห็นไหมตัวอะไรอ้าปากเห็นไหมตัวอะไรพูดอยู่เห็นไหมตัวอะไรพยักหน้าเนี่ยหายใจเห็นไหมตัวอะไรหายใจลองขยับมือสิขยับเห็นไหมตัวอะไรขยับมือใจมันเป็นคนดูลองยิ้มสิยิ้มหวานเนี่ยเห็นร่างกายยิ้มไหมใจเป็นคนดูเนี่ยฝึกอย่างนี้ของหนูทําอะไรหนูเพ่งหมดเลยนะยกเว้นยิ้มหนูสังเกตไหม พอจับไปนี่ก็เริ่มซึมเนี่ยผ right. ิดอย่างนี้ผิดหมดเลยแต่ตอนที่ยิ ay, ้มในใจมันคลี่ออกรู้สึกไหมสมาธิจริงๆต้องใจมันต้องคลี่ออกอย่างนั้นนะไปฝึกใหม่นะทําสมาธิผิดน่ะมันกลายเป็นมิจฉาสมาธิไปค่ะขอบพระคุณค่ะกับนวัตการของพ่อค่ะคือหนูปฏิบัติฝึกชี้กงกับเดินจงกรมแล้วก็ไหว้พระค่ะแต่บางทีคือทําไปก็ชอบ ใ จ, ใจมันจะไหลนะะใจมันจะเคลื่อนตามไปอย่างเคลื่อนใจต้องพยายามรู้สึกตัวขึ้นน ะ, ะมันขัดกันนิดหน่อยนะระหว่างชี้โคงกับความรู้สึกตัวอันนั้นบางคนเห็นลำลำไปนะแล้วนะ ท, ทําท่าทับทางอะไรแบบจิตใต้สํ า, านึกออกมาทํางานเวลาหนูทำก็จะชอบนนั บ, น, บนับเรื่อยๆคะ่ะหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆอย่างเนี้ค่ะคุณอย่างนี้ตัวหพยายามรู้สึกตัวให้มากขึ้นนะ อย่าไปให้เคลิม้มอย่าให้ลืมเนืลืมตัวหายใจแรงๆทีสิเออเนี่ยก็รู้สึกไปอย่างเนี้นะรู้สึกไปสบายๆอย่าให้มันเคลิม้มแมเนี่จิตใต้สำนึกทำงานอย่างนีนะ้อย่างนี้ไม่เอาเลยนะมันขาดสติมันมีสมาธิแต่มันขาดสติ<ะ>สมาธิที่ขาดสติคือมิจฉาสมาธิ<ะ>แล้วหนูควรจะต้องปรับปรุงหนูเคลื่อนไหวไปไปทำงานปกตินะ่ะ ทำงานบ้านนะรดน้ำต้นไม้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรอย่างเงี้ยทำงานแปกวาดบ้านถูบ้านนะแล้วก็เคลื่อนไหวเห็นร่างกายทํางานใจเป็นคนดูไม่ต้องทําช้าๆนะทําปกติเลยเดินก็เดินปกตินั่งก็นั่งปกติอย่าทําใจให้ซึมเคลิ้มลงไปไม่งั้นจะติดพอติดแล้วมันสบายนะมันเหมือนคนติดยายก็เคลิมอยู่ทั้งวันนะ เนี่ยฟ้องไม่เอาเลยนะมันขาดสตินะาอาต่อไปขอบพระคุณมากค่ะการนมัสการหลวงพ่อค่ะคือครั้งนี้เป็นครั้งแรที่ส่งการบ้านนะคะแล้วก็อันดับหนึ่งที่ตั้งใจไว้คืออยากจะกราบขอพระคุณหลวงพ่อค่ะที่ชี้ทางสว่างให้เพราะว่าก่อนหน้านี้คืออยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ไม่รู้วิธีทางและไม่รู้ว่า การดูกายดูจิตเป็นยังไงอะค่ะก็เลยอยากจะกราบขอพระคุณหลวงพ่อค่ะที่ที่ชี้แนะโนูเห็นกิเลสไหมโน่ดูออกไหมว่ากิเลสของเราตัวไหนเกิดบ่อยดูออกไหมค่ะนะเราก็ใช้ตัวนั้นแหละนะอย่างใจมันโมโหขึ้นมาเรารู้มันหงุดหงิดขึ้นมาเรารู้นะไม่ห้ามแต่ว่ากิเลสอะไรเกิดเราก็รู้ทันแล้วก็เห็นว่ามันมาเองไปเองดูอย่างนี้เรื่อยๆนะจะเจริญปัญญาต่อเจริญปัญญาให้มากไปดี ช่วงที่ผ่านมาก็คือเคยขยันนะคะเคยเดินจงกรมเรื่อยๆแล้วก็ที่ผ่านมาสักระยะหลังๆเนี่ยรู้สึกตัวเองแล้ขี้เกียจแล้วมันก็ไม่ค่อยแบบไม่ได้ทําตามรูปแบบอะคะ่ะหลวงพ่อก็ได้แต่กไหว้พระสวดมนต์แต่ช่วงเดินจงกรมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าสมาธิมันดีหรือว่ามีสติในชีวิตประจําวันนะคะตัวเนี้ยที่หลวงพ่อบอกไงว่าคารวะนะมีชุดอ่อนตรงทำไม่ต่อเนื่องทําบ้างหยุดบ้างนะมันการปฏิบัติ เพื่อเอามรรคผลนิพพานให้ได้ในชาติเนี้ยมันเหมือนพายเรือทวนน้ํานะแล้วก็พายไม่หยุดะ่ะถ้าวันไหนเราหยุดเนี่ยเราถอยหลังถอยหลังพอมีแรงเราก็พายอีกอะเดี๋ยวก็หยุดอีกแล้วก็ถอยอีกถอยหน้าถอยหลังสักพักเดียวนะก็หมดแรงต้องอึดๆไว้ไม่เลิกนะมันคล้ายๆเราจะพายเรือทวนน้ำข้ามแก่งสักแค้นหนึ่งนะอืด ๆ, ๆ, ๆไปพอข้ามไปทีเดียวข้ามสี่แก่งเท่านั้นนอะไม่ยากหรอกนะอดทนไว หลวงพ่อคะแล้ที่เดินจงกรมที่ผ่านมานี้มันเดินได้ถูกหรื อ, อยังอะคะเดินให้ดูสิเดินนี่เลยอย่าไปกดจิตมันนะดูสังเกตไหมพอเราเริ่มปฏิบัติเนี้ยจิตเราไม่เป็นธรรมชาตินะเราใช้จิตใจที่ธรรมดานี่แหละดีที่สุดเลยเไปเดินไปเนี่ยใจลอยไหมตอนหมุนมาปุ๊บตอนที่เราเดินนะใจมันเดินก่อนร่างกาย งั้นรู้สึกตัวก่อนแล้วค่อยเดินรู้สึกตัวแล้วค่อยเดินเราเดินเอาความรู้สึกตัวไม่ได้เดินเอาระยะทางว่าเดินเท่านี้รอบไม่ได้เดินเอาเวลาเดินเท่านี้ชั่วโมงเดินเอาความรู้สึกตัวงั้นเดินไปใจลอยไปแล้วหยุดสักหนึ่งก็ได้รู้สึกตัวสบายๆแล้ค่อยเดินต่อระหว่างเดินไม่น้อมใจให้นิ่งเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูไม่ข่มใจ ไม่บังคับใจให้แข็งแข็งนะดูด้วยใจที่สบายๆเมื่อกี้ก็พอทราบว่าเดินไม่ธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้เดินมาสักพักนึงแล้วเออห น, น้ามันเลยไม่เป็นธรรมชาติดูออกใช่ไหมว่าไม่ทําถ้าดูออกเออตอนนี้จิตอย่างนี้ถึงจะดีเ น, นี่ยจิตตรงนี้แหละที่ดีตรง น, นี้ไม่ดีรู้ว่ามันฝืนๆนะคะออไม่ได้ทำโดยโดยธรรมชาติที่ว่ารู้สึกอยากปฏิบัติหรือว่าจะต้องทําสม่ําเสมอนะถึงจะเป็นธรรมชาติ แต่ที่เดินนี้คือเดินแค่ว่าหนูให้รู้สึกว่าเท้ากระทบพื้นอย่าไปรู้สึกนะรู้สึกตัวว่ากำลังเดินอยู่นะคะเห็นร่างกายเป็นเดินใจเป็นคนดูมันเห็นคนอื่นเดินอ่ะอย่าเอาจิตไปไว้ที่เท้านะค่ะให้ดู ด, ดูทั้งร่างกายบางทียังดูไม่ค่อยเป็นนะคะหลวงพ่อหัดสิอยู่อยู่ไม่เป็น ห, นหรอก ถ, ถ้ า, ถ, าถ้าหนูดูอย่างนะั้นอ่ะมันได้อะไรรู้ไหมได้แต่สมะถะเพาจิตอยู่ในอารมณ์เดียวนะก็สงบไปสบายใจหมดเวลาแล้วก็ไปนอนเนี่ย ก็วนเวียนอยู่แค่นี้เองสงบแล้วอีกวันนึงก็ฟุ้งฟุ้งแล้วก็สงบนะหมุนอย่างนี้แต่ถ้าหนูเดินไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูฝึกนี้นะะ<ม>แล้วต่อไปปัญญามันเกิดมันเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราถ้าปัญญามันเกิดอย่างแท้จริงเนาะกายไม่ใช่เราเนาะกายยิ่งถ้าเห็นว่ากายเป็นตัวทุกนะไม่ยึดในกายเนาะกายแก่เราไม่เดือดร้อนนะกายเจ็บเราไม่เดือดร้อนนะกายตายเราไม่เดือดร้อนเลยนะเพราะมันไม่ใช่ตัวดีมันเป็นตัวทุก เราต้อฝึกให้จนกระทั่งมีปัญญาเกิดขึ้นนะอย่าเอาแต่สงบนะอย่ไปให้จิตไปอยู่ที่เทา้าค่ะให้รู้ทั้งตัวนะคะรู้สบายๆรู้ได้ใจที่ผ่อนคลายน ะ, ะต่อไปหลวงพ่อมีอะไรแนะนํำไหมคะว่าที่เดินตรงกลมหรือว่าต้องทําแบบไหนให้ถูกกจริรตตัวเองอะคะ่ะหนูเดินไปหนูดูไกลนี่แหละถูกแล้วเรารักสวยรักงามดูไกลยอย่างนี้ถูกแล้วถูกจริีแล้วดูไกลก็ยังดูไม่ค่อยเป็นก็ทราบว่ามันยังไงมันก็ไม่เที่ยเห็นไหมไอ้ตัวนี้พูดอยู่เนี่ย ดูไปเลยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกอ๋อค่ ะ, ะดูเหมือนดูคนอื่นไปนเห็นไหมตัวเนี้นเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เราหรอกแล้วถ้าดูจิตนะคะหลวงพ่อดูจิตเราก็ดูจิตมันทํางานเองเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเ ด, ดเดี๋ยวมันก็ร้ายอ๋อคืออันไหนเด่นก็ให้ดูตัวนั้นก่อนใช่ตัวไหนเกิดขึ้นเดูตัวนั้นถ้าใจถ้ามันนิ่งๆเฉยๆเราก็เป็นิ่งรู้ว่านิ่งคะแต่ถ้าดูแล้วงงก็มาดูกาย ก็เห็นร่าง<ด>กายหายใจมันยืนอยู่มันนั่งอยู่มันกําลังพูดอ ะ, อะไรดูอย่างนี้<ช>นไงเทียบให้ฟังนะบางคนนามานามพระนสติเนี่ยรู้อยู่ที่ลมหายใจไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจนั้นได้แต่ความสงบเป็นสมถะเป็นกสินลมจนท้ายลมดับร่างกายเป็นแสงเป็นปฏิภาคนิมิตเข้าฌานไปแต่ถ้าเราจะฝึกหายใจแล้วให้เกิดความรู้สึกตัวมีสมาธิแบบตั้งมั่นอะเราเห็นร่างกายหายใจ ระหว่างการที่มีสติไปรู้ลมหายใจนะจิตใจจะเป็นแบบหนึ่งระหว่างที่มีสติเห็นร่างกายหายใจจิตใจจะเป็นอีกแบบหนึ่งตรงนี้ไม่เหมือนกันเอาลองดูซิทุกคนดูลมหายใจของตัวเองให้จิตจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเหมือนที่ตะกี้จดจ่อที่ผมกดเล็บฟันหนังอะไรนะั้นแหละให้จ่อไปที่ลมเลยอพอลืมตาขึ้นมา ยิ้มหวานๆก่อนสังเกตมหมยิ้มนั้นมันเหมือนเปิดสวิตข้างในสว่างขึ้นมาใช่ไหมยิ้มหวานๆยิ้งยังไม่พอยิ้มมากกว่านี้หน่อยเมื่อกี้ให้หลับตาทีเดียวนะจะหลับในเลยเออตอนนี้ใจค่อยสว่างขึ้นมาล้เอาใหม่ตอนนี้เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอย่าดูที่ลมนะเห็นตัวเนี้หายใจใจเป็นคนดูลองดูซิความรู้สึกจะต่างกันไหมเห็นร่างกายหายใจไม่ใช่ดูลมนะ ดูร่างกายหายใจเหมือนเห็นคนอื่นหายใจอยู่รู้สึกไหมว่ามันต่างกันอันแรกนะที่ไปจ้องใส่ลมเป็นสมาธิให้สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะอันที่เราเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูมันแยกกายกับใจออกจากกันนะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแยกออกมาของหนูมันไม่แยกนะเมื่อกี้เนี่ยมันมันเครียดไปเพราะว่าเราถือไมอยู่เลยเครียดไปมันเลยไม่แยกไม่เป็นธรรมชาติ ค่อยๆไปฝึกนะร่างกายหายใจใจเป็นคนดูตัวนี้สาคัญนะพวกเราเออาเราก็จะไปดูลมหายใจบอกนี่คืออนาปนสติไปดูลมหายใจทำไมไม่แปลอนาปนสติว่ามีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอะ่ะใครเป็นคนหายใจร่างกายหายใจพระพุทธเจ้าสอนไหไรพิสูจทั้งหลายให้เธอคู่บันลังตั้งกายตรงดำลงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวไม่ได้บอกให้ดูลมหายใจนะ บอกหายใจออกยาวรู้หายใจออกยาวตัวอะไรหายใจออกยาวร่างกายนี้หายใจออกยาวร่างกายนี้หายใจเข้ายาวเออเราก็จะไปจ้องลมนะเพราะเราชำนาญคำสอนแบบลือสีจะทำกระสินลมนั้นะแยกให้ออกนะจิตมันจะไม่เหมือนกันถ้าเราจ้องใส่ลมเนี่ยจิตจะนิ่งถ้าเราเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูจิตจะตั้งมั่นนะต้องฝึกสมาธิอย่างนี้ขึ้นมาให้ได้แล้วมันจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เรา เวลาความรู้สึกเกิดก็จะเห็นว่าความรู้สึกก็ไม่ใช่เรานะตัวเราไม่มีก็จะล้างความเห็นผิดเป็นพระโสดาได้ต้องฝึกนะค่อยๆเรียนไปอ้าต่อไปสุดท้ายขอการบ้านได้ไมหมคะหลวงพ่ออย่าไปขมใจมากไปนะทําให้สม่ําเสมอนะของหนูมันเวลาทำมันก็ทําจริงจังมากเลยมันเครียดไปทําเล่นๆทํากรรมฐานห้ามเครียดนะ ากราบในเทศการหลวงพ่อนะคะคือได้มีโอกาสฟังซีดีหลวงพ่อตั้งแต่ปีห้าสองนะคะแล้วระยะหลังก็ปฏิบัติต่อเนื่องทุกวันแต่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่มีความก้าวหน้านะคะแล้วก็เหมือนยังหาไม่เห็นหด้วยนะไ ม, ไม่เห็นด้วยหรอกสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้ใจเราเดี๋ยวนี้ก็ใจเราแต่ก่อนไม่เหมือนกันดูออกไหมดูออกค่ะแล้วบอกว่าไม่ก้าวหน้าได้ไงอสังเกตไหมโรคมัญห่างออกไปสังเกตไหมทุกมันสั้นลง สัเกตไหมอยู่ดีๆใจก็เบิกบานขึ้นมาเราบอกว่าไม่ก้าวหน้านะหนูเราทําถูกแล้วนะหนูเห็นไหมว่าไก่ก็อันหนึ่งใจก็อันนึ่งขันมันแยกแล้วความสุขทุกข์ดีชั่วมันก็แยกนะต่อไปนี้การปฏิบัติเนี่ยเข้าถึงจุดที่สบายแล้ะมันลําบากมากเลยกว่าคนคนหนึ่งจิตจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้นะแล้วก็ขันแยก แต่ถ้าจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาแล้วขันก็กระจายตัวออกแล้วเนี่ยการปฏิบัติต่อไปนี้จะง่ายเพราะไม่ต้องปฏิบัติแค่เห็นขันนี่แหละทํางานทั้งวันเลยนะแต่ว่าถ้าเห็นไปเห็นไปแล้วใจเราฟุ้งซ่านทํากับสงบเข้ามาเท่า น, นี้เองในในการพยายามทําความสงบค่ะตอนตอนนี้หนูยังหาหลักไม่เจอวเวลาหนูดูลมหายใจเนี่ยมันจะออกฟุ้งตลอดนะคะหนูเห็นร่างกายหายใจดูร่างกายหายใจไปด้วยใจที่สบายอย่าลืมคําว่าสบายนะ ถ้าไม่ชอบหายใจก็สวดมนต์ไปชอบสวดมนต์ไหมออหนูสวดชินบัญชรมานะเสพครังแล้วบางทีก็กลับมาเป็นผู้โทโ<อ>แต่เป็นผู้โธนีน้แน่นมากเออเอาไอาที่ไม่แน่นอ่ ะ, ะสวดชินบัญชรไปแล้วใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขสวดไปแล้วใจเผลอไปคิดเรื่องอื่นปากก็สวดไปรู้ทันว่าขาดสติหนูเห็นว่าฟุ้งบ่อยมากเลยหนูเลยรู้สึกนั่นแหละลดีค่ะ สวดมนต์ไปนะใจฟุ้งเรารู้ทันทุกครั้งที่รู้ทันได้หนึ่งคะแนนดีกว่าคนที่มันฟุ้งไปเลยเราไม่รู้เลยหรือสงบอยู่กับชินบัญชรได้แต่สมาธิสงบเราสวดมอนต์อยู่จิตหนีไปเรารู้ว่าจิตหนีไปได้คะแนนได้เดินปัญญาแล้วทําเป็นแล้วล่ะไปทําต่ อ, อต้องสม่ําเสมอนะอแล้วจเจริญเมตตาไว้เราพานาถูกแล้วมารชอบแกล้งทีมันทุบเอานะ มาบัตรการค่ะตื่นเต้นไหมนิดหน่อย ต, ตื่นเต้นไหมนิดหน่อยค่ะ อ, อ่านิดหน่อยนะ อ, อก็คือว่าก็เห็นอารมณ์เป็นช่วงๆสติมาบ้างไม่มาแต่จิตไม่ค่อยตั้งมั่นก็จิตนตั้นเราสั่ ง, งจิตนั้นเราสั่งให้ตั้งมั่นก็ไม่ได้จิตเพื่อเป็นอนัตตานะให้เรารู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันจะตั้งของมันเอง ทีนี้ก็เหมือนคล้ายๆน้องเขาก็คือจริงๆก็เกือบสิปีแล้วนะคะที่ไปหาหลวงพ่อที่กาญจนบุรีแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่คเคยเก้าวหน้าวพวกที่เรียนรุ่นเก่าๆอ่ะจะก้าวหน้าช้าพวกที่เรียนทีหลังน่าจะเร็วกว่าเยอะเลยก็เลยเป็นปกติเลยนะเพราะพวกที่ไปหาหลวงพ่อรุ่นแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่ติดสมาธิ สมาธิก็ไม่เค่อยนิ่งก็ไม่เคยนั่งนั่งไม่ติดเหมือนกันรู้สึกไหมว่าใจเราขณะนี้ไม่เป็นธรรมชาติดูออกไหมมันแข็งกว่าความเป็นจริงอเออมันแข็งนะถ้าใจเราแข็งอย่างเนี้ยเราเดินปัญญาไม่ได้นะใจที่ดีที่สุดก็คือใจแบบเด็กๆเด็กๆ ด, ด็กนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายแต่เด็กมีข้อเสียคือไม่มีสติส่วนผู้ใหญ่เนี่ยฝึกกันมีสตินะแต่ไม่มีจิตใจที่เป็นธรรมชาติ เราสวมหัวใจเด็กเราใช้จิตใจที่เป็นธรรมชาติบวกด้วยสติคือคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของเขาไปแค่นั้นเองไม่ยากอะไรหรอกนะอย่าไปบังคับใจให้นิ่งปล่อยให้มันทำงานแล้วเราเป็นแค่คนดูสังเกตไม้มกายมันคนหนึ่งใจมันคนนึงมันแยกกันดูออกไหมอันนี้เห็นไหมตัวนี้พยัยหน้านะมันเริ่มแยกขันได้แล้วละเมื่อมันแยกขันได ค่อยๆดูไปจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึงใจอยู่ต่างหากใจเป็นคนดูจิตสงสัยทราบไหมเนี่ยจิตสงสัยให้รู้ว่าสงสัยความสงสัยมันผุดขึ้นมากลางหน้าอกเราแล้วก็รู้ทันว่าความสงสัยเกิดขึ้นความสงสัยก็อยู่แล้วก็ดับไปพอคิดใหม่ก็สงสัยใหม่เนี่ยหัดดูไปอย่างนี้เห็นร่างกายไปเห็นจิตใจทํางานไปดูไปตามธรรมดาธรรมดาแล้วมันจะพัฒนาแต่ถ้าเราอยาก ให้มันดีนะจงใจไปดูไม่พัฒนาหรอกเครียดพาวนาห้ามเครียดนะภาวนาต้องมีความสุขถ้าไม่มีความสุขสมาธิไม่เกิดก็นันนๆก็วันหนึ่งก็ดูดูนานนดูทีมันเออนั่นแหละที่ไม่ก้าวหน้าก็ตรงนนาหน้าไม่มีไม่มีก้าวนานนานดูทีต้องดูบ่อยๆต้องขยันมากเออพระพุทธเจ้าใช้ก็ให้ดูเนืองเนืองเห็นกายในกายเนืองเนืองนี่ย ดูบ่อยๆนานๆดูทีมันไม่เข้าใจหรอกดูบ่อยๆที่ดูอยู่นี่มันแข็งไปหรือว่าต้องปรับอะไรบ้างคะคือจริงจริงกินอรรถดูแล้วเริ่มเป็นแล้วล่ะนะแต่ขี้เกียจอะค่ะขี้เกียจสังเกตไม่กายมันก็อันหนึ่งใจมันก็อันหนึ่งมันเริ่มแยกแล้วแต่มันขี้เกียจถ้าไม่ขี้เกียจนะมันไปไหนตอนไหนแล้วนี่แหละจุดอ่อนของคารวาสทำบ้างไม่ทำบ้าง ทำก็ซิทำไปกลาบนมาสการครับหลวงพอ่อะก็ฝึกปฏิบัติตามถูกแล้วละ่ะที่ที่ทํามาถูกแล้วลครับโอเคครับเ อ, อมีการบ้านเพิ่มเติมไหมครับหลวงพอ่อทําบ่อยๆนะทำเนืองขอบคุณครับะดูออกไหมล่ะว่าเราไม่เหมือนเดิมไม่ชัดครับนะรู้สึกไหมกายกับใจมันแยกกันได้ สุขทุกข์ดีชั่วกระใจก็คนละอันกันระหว่างกายกระใจเนี่ยอันไหนดูชัดกว่ากันกายครับงันดกายเห็นกายทำงานเห็นใจเป็นคนดู <ขอ S 1> เห็น<ร>ไมตัวนี้พยักหน้าแต่ต้องไม่ล็อกใจให้นิ่งนะใจต้องเป็นธรรมชาติธรรมดาถ้าใจแข็งอย่างนี้ใช้ไม่ได้ที่ฝึกอยู่ถูกแล้วขอบพระคุณครับ เราทำมาส ก, การหลวงพ่อนะครับว่ามาครับอยากจะถามว่าจะทําอย่างไรถึงจะได้ยินเสียงเข้างในในจิตใจครับได้อะไรนะได้ยินเสียงภายในใจครับได้ยินเสียงครับไปได้ยินไปทําไมมันก็พูดทั้งวันอยู่แล้วที่ได้ยินอยู่คือได้ยินทั้งวันแต่ว่าได้ยินไม่ชัดเพราะว<อ>่าคิดว่าอะไรอย่าอย่า ไ, ไปฟังมันนะบางคนฟังแล้วเพี้ยนเลยก็ได้นะไม่สําคัญตัวนั้นไม่ใช่จุดสําคัญสําคัญอยู่ตรงที่ว่ากิเลสเกิดแลรู้ไหม ตัวนี้สําคัญกว่าว่ามันพูดอะไรนะตัวที่มันพูดอะไรขึ้นไปตั้งใจฟังมันที่มานมันพูดแทรกเข้ามาเลยหลอกเราอย่างน้นอย่างนี้นะธรรมสอนกรรมาฐานเราด้วยนะเพียนไปเลยนะงั้นอย่าไปฟังเสียงในใจให้รู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเาเห็นความรู้สึกทุกชนิดเกิดแล้วดับตัวนี้สําคัญกว่านะเชื่อพระพุทธเจ้า จิตมีราคารู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะอะไรเงี้ยจิตมีสุขก็รู้จิตไม่มีสุขก็รู้อะไรเงี้ยนะเชื่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่ได้บอกให้ไปฟังเสียงในใจกล่ากล่าวนวัตการหลวงพ่อค่ะอพอดีก็มีฝึกหลายสํานักแต่ว่าคําถามคืออยากจะถามว่าจะจะรู้ได้ยังไงว่าปฏิบัติแบบไหนที่มันเหมาะกับเราแล้วถ้าปฏิบัติแบบไหนเราสติเกิดบ่อยอันนั้นแหละเหมาะ ปฏิบัติแล้วลดละกิเลสได้นะรู้เท่าทันกิเลสได้อันนั้นแหละเหมาะถ้าปฏิบัติแล้วกิเลสมากขึ้นอะไรงนี้ก็ไม่ดีหรือว่านานๆรู้ตัวได้ทีอย่างนั้นก็ไม่เหมาะทําไงที่สติจะเกิดได้บ่อยอันนั้นแหละดีไปดูเอาสินะสังเกตเอาทำกรรมฐานอะไรแล้วสติเกิดบ่อยแต่อย่าลืมหลักที่หลวงพ่อสอนนะ ส่วนมากที่เขาสอนกันเนะ่ยเาสอนเปลือกมันสอนรูปแบบของการปฏิบัติแต่หลักของการปฏิบัติไม่ค่อยมีคนสอนหรอกเขาให้ไปหาเ อ, าเองหลักของการปฏิบัติที่คือทำไงสติจะเกิดเห็นสภาวะบ่อยๆจิตจําสภาวะได้แม่นแล้วสติเกิดเองทําไงสมาธิจะเกิดถ้าสมาธิชนิดสงบเพื่อน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องสมาธิชนิดสงบก็เกิด ทำยังไงจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไหลไปไหลมาเนี่ยหลวงพ่อจะสอนในตัวหลักนะงั้นหน้าที่ของเราเนี่ยไปดูว่าเปลือกแบบไหนที่จะเหมาะกับเราส่วนมากที่เรียนกันจะเรียนที่เปลือกต้องเดินแบบนี้ต้องนั่งอย่างนี้ซึ่งไม่ใช่สาระสําสคัญหรอกเปลือกของแต่ละคนนะั้นมันเหมาะไม่เหมือนกันอย่างถ้าไปเรียนบางที่นะทุกคนต้องเดินเหมือนกันหมดเลย คนหนึ่งขาสัาน้นคนหนึ่งขายาวมันก็เดินเหมือนกันไม่ได้อยู่แล้วนะหรือคนเดียวกันขาซ้ายขากว่าไม่เท่ากันองจะเดินท่าเดียวกนันก็ทำไม่ได้ดูว่าเราเหมาะกับ ก, บกรรมฐานชนิดไหนไปใช้สติปัญญาสังเกตเอานะขอบคุณค่ะกับนักสการ์หลวงพ่อครับอยากจะให้หลวงพ่อเมตตาชี้แนะนะครับคือในชีวิตประจำวันเนี่ยก็รู้ว่าจะต้องเจริญภาวนานะครับ แล้วก็พยายามทําอยู่คราวนี้เวลาเรารู้ถึงความฟุ้งซ่านเนี่ยแล้วก็ขณะที่รู้แล้วกลับมาที่ลมหายใจที่ทําอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับก็แต่ว่ามันมันมีความรู้สึกว่ามันมันไม่ตั้งมั่นนะฮะพอกลับมาแล้วมันก็ไปอีกมันก็ก็ชักเยาะกันอยู่อย่างเงี้ยครับเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ใช่ฝึกเพื่อให้มันตั้งมัน่นเวลาตั้งชั่วขณะเนี่ยพอแล้ว การที่มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเราต้องการแว็บเดียวเท่านั้นนะเพื่ออะไรเพื่อจะตัดชีวิตจิตใจช่วงที่หลงนะให้ขาดเป็นท่อ น, อนแต่เดิมคนทั้งหลายเนี่ยหลงตลอดเวลาไม่เคยเห็นหลงเนี่ยเกิดดับเลยนะแต่พอเรารู้สึกตัวขึ้นมาตรงนี้หลงรู้สึกตรงนี้หลงรู้สึกเราจะเริ่มเห็นว่าความหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับความรู้สึกตัวอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเราไม่ได้ฝึกเอาความรู้สึกตัว แต่เราฝึกให้เห็นว่าทั้งหลงและทั้งรู้เกิดแล้วก็ดับเพราะงั้นการที่มันเกิดดับบ่อยๆนั้นอนะ่ะก็ถูกแล้วถ้าจะไม่ให้เกิดดับจะให้รู้ทรงนานๆก็ต้องทรงชานเพราะชันจิตเกิดนะตัวรู้มันจะทรงอยู่นานครับพอครับแล้วขณะที่เรารู้ว่าเกิดดับเนี่ยครับแล้วเราจะควรจะตั้งจิตยัยงไงฮะว่าไอ้กายนี้ไม่ใช่เราหรือไอ้อารมณ์นี้ไม่ใช่เราไ ม, ไม่ต้องคิดมากนะดูไปเรื่อยๆ การที่เราเห็นเนี่ยความรู้สึกนั่นนั่นมาเองไปเองดูออกไหมนะความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกโรคหลดหลงอะไรเนี่ยมาได้ไปได้เราสั่งไม่ได้เราเลือกไม่ได้ตรงนี้เราเห็นอนัตตาเห็นอนิจจังอยู่แล้วนะการคิดพิจารณาเนี่ยจะใช้สำหรับคนซึ่งมันไม่ยอมเดินปัญญาไปรู้ตัวแล้วเฉยอยู่นะพวกนี้แะถึงจะต้องคิดพิจารณาแต่จิตของคุณไม่ได้ติดเฉยจิตของคุณมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว เั้นเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเปลี่ยนได้เองก็เห็นอนัตตาเห็นมากพอมันก็สรุปมาว่าตัวเราไม่มีหรอกรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายจิตทั้งหลายทํางานเองไม่ใช่เราสักอันเดียวที่คุณฝึกจใช้ได้นะแต่สังเกตยอย่างหนึ่งนะอย่าให้ใจว่างออกข้างนอกไปใจต้องเข้ามาเข้ามาอยู่ในตัวเอง ตอนนี้ใจอยู่ข้างนอกหรือใจอยู่ข้างในดูออกไหมใจมันเปรกว่างอยู่ข้างนอกนะถ้าอย่างนี้ไม่ได้มันมีวิปัสสนูปกิเลสตัวหนึ่งชื่อโอภาษใจจะสว่างว่างอยู่ข้างนอกอันนี้พวกที่ไปหาดูจิตดูจิ ต, จตนี่นแหละเห็นจิตเกิดดับได้พักหนึ่งจิตมันเคลื่อนออกไปแล้วเราไม่เห็นว่าจิตเคลื่อนไปอยู่ข้างนอกมันจะไปสว่างว่างสบายอยู่งั้นเป็นปีๆเลยนะเขาเรียกว่าโอภาษสว่าง ให้ย้อนกลับเข้ามาเรากลับมาย้อนมารู้กายมารู้สึกกายรู้สึกใจเห็นไหมตอนนี้มันย้อนกว่าตะกี้ละนะเมื่อกี้ไปอยู่ข้างนอกนะไปอยู่ข้างนอกเป็นวิปัสสนาก็ไม่มีเหตุจําเป็นที่จะต้องตั้งจิตอะไรเลยใช่ไหมครับไม่ต้องหมันทําไปเรื่อยหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ครับจิตตั้งอยู่ที่ไหนครับจิตไม่มีที่ตั้งจิตเกิดที่ไหนก็ดับที่นั้นนะและจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาถ้าเห็นว่าจิตมีดวงเดียวเป็นวิชชาทิษฐิต ให้จิตมันเข้าบ้านก็นแล้วกันอย่าให้มันไปสบายอยู่หน้าบ้านค่อยๆสังเกตตัวนี้หลวงพ่อเคยติด น, นะไปว่างอยู่อเงี้ยเจอหลวงตามหาบัวไปถามท่านอ่ะบอกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตมาเรื่อยๆแต่ทำไมช่วงนี้ไม่พัฒนาท่านหันมามองหน้าว บ, บท่านก็บอกเลยที่ว่าดูจิตดูจิตนะ ด, ดูไม่ถึงจิตแล้วท่านว่าอย่างเงี้ยต้องเชื่อเรานะตัวนี้สําคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านบอกอย่างเงี้ย หลวงพ่อก็มาพุโทโธพุโทโธท่านว่าบริกรรมหัวใจเราไม่เอาพุโทโธใจไม่ชอบพุโทโธใจอยากจะแตกเลยมาสังเกตเหตุทำไมท่านให้บริกรรมโอ้สมาธิเราไม่พอใจเราไม่ถึงฐานที่ว่าท่านบอกดูไม่ถึงจิตมันไปว่างอยู่ห้องนอกนะมันไม่ย้อนเข้ามาที่กายที่ใจฉันระวังตัวนี้นะกราบนมัส ก, การคะ่ะหลวงพ่อคือก็สปีที่ผ่านมานะคะก็ฟังซีดีของหลวงพ่อเกือบทุกวันนะคะแล้วก็ พยายามตามรู้กายรู้ใจไปนะคะก็คือความรู้สึกตอนนี้เหมือนจิตก็พัฒนาขึ้นแต่การตามรู้กายรู้ใจดูเรื่อยๆธรรมดาธรรมดาคือเลยไม่ทราบว่าตัวเองดูถูกอยู่หรือว่าจิตไปติดไปค้องอะไรแล้วตัวเองไม่ไม่รู้ตัวค่ะเวลาปฏิบัติไปเรืบางทีจิตมันก็เฉ่ยๆนะ <c oughs> ที่ครูบาอาจารย์ท่านถึงไปทุดงเจอเสือเจอช้างอะไรย่างเงี้ย ส ต, ติสมาธิปัญญามันจะกเกิดรี ก, กับเปล่าขึ้นมันเฉยไปหน่อยแล้วคุณจะต้องทํำยังไงแหมจะให้ผู้หญิงไปทุดดงก็ไม่ได้นะอันตรายมากเลย <c oughs> ให้รู้ทันใจมันเหนื่อยเนื่อยไปใจมันเฉยไปปลุกใจให้มันกกิดรี ก, กับเปล่าบ้างหรือไม่ก็ค้นคว้าพิจารณาร่างกายเลยดูผมคนเล็บฟันหนังหรือพิจารณากระดูกเลยเนี้ยนะนะหางานให้จิตมันทําบ้าง กระตุ้นให้จิตมันกระปรี้กระเป่าขึ้นมันเฉื่อยไปนิดนึงค่ะก็ทายนี้ลูกกับขอขมาหลวงพ่อต่อความคิดอกุศลได้ทั้งปวงด้วยเออได้คิดอกุศลไม่เป็นไรอย่าตีกันเท่ากันแค่คิดไม่ว่าหรอกนมัสศการหลวงพ่อนะครับก็เคยไปน้ำมศการหลวงพ่อที่สวนสถิธรรมนะครับก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนําทุกวันนะครับก็เอ่อ ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มจะเข้าใจเรื่อยๆในการมองดูอืแค่ดูเฉยๆก็ก็จะคือให้ดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนจนวันหนึ่งมันจะเข้าใจแบบร้อยเปอร์เซนใช่ไหมฮะมันจะปิ๊งขึ้นมาใช่มันจะปิ๊งเองนะพระเจ้บอกไม่มีใครทํามรรคผลให้เกิดได้นะมันเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราแก่รอบนี้นะเรามีสติอยู่ศีลเราก็เกิดดิเลนครอบไม่ได้มีศีลทุกวันก็ถือศีลห้าทุกวันนั่นแหละดี แล้วก็เดินจงกรมส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าตัวเองฟุ้งซ่านเยอะรู้สึกไม่ห้ามเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูถ้าจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตมันฟุ้งเราเป็นคนดูต้องต้องทำอะไรเพิ่มไหมครับต้องทําทําไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆสงบเพราะทาไม่สงบเพราะทำผมผมไม่ได้ติดอะไรใช่ไหมครับไม่ได้ติดยังไม่พอครับยังไม่พอครับขอบคุณครัขออนุญาตค่ะหลวงพ่อกรน้ำมัศการค่ะขออนุญาต สอบถามถึงเกี่ยวกับการปฏิบัตินะคะหลวงพ่อว่าตอนนี้เริ่มพอที่จะเข้าใจว่าเมื่อรู้สึกแล้วก็รับรู้แล้วมันจะหยุดอันนี้แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทําให้ก้าวข้ามผ่านไปไม่ได้คือเวลาที่จะภาวนาค่ะความรู้สึกใดๆที่พอเรารู้แล้วก็หยุดเนี่ยเราสามารถหยุดได้แต่พอช่วงที่เรารู้สึกว่าพอหลับตาภาวนาแล้วเรากลัวผีเรากลัวที่จะกลัวผีอ่ะค่ะเคยเจอไหม ไม่เคยค่ะอ๋อถ้างั้นสรุปได้เลยชาตินี้ไม่เจอถ้าคนไหนจะเจอนะนั่งปุ๊บก็เจอปั๊บเลยนะถ้านั่งมานานแล้วไม่เคยเจอไม่โปรมาให้เห็นหรอกค่ะแสดง ว, ว่าจิตเราไม่ไม่ชอบไปดูมไม่ต้องกลัวหรอกเพาหนาไปอีกอย่างนะถ้าผีมาหาเราจริงๆนะต้องรู้อย่างหนึ่งนะมันเป็นญาติเราผีอื่นมันไม่มาหรอกไม่รู้จะมาทำอะไร เมื่ถ้าผีมาก็คล้ายๆญาติเราตกหลกกรรมลำบากเราภาวนาเหมือนเศรษฐีร่ํารวยมาขอความช่วยเหลือเราเราก็ไล่น่าสงสารนะหนูพริกจากความรู้สึกกลัวเนี่ยเป็นความรู้สึกสงสารใช่หนูจะไม่กลัวอีกเลยเมื่อไหร่ความกรุณาเกิดนะความกลัวจะไม่มีกรุณากระทรสะอาเป็นศัตรูกันความกลัวเป็นโทสะนะไปมองในแง่ที่ว่าว่ามันเป็นญาติเรานะลําบากน่าสงสารถ้าเขามา ก, ก็บอกว่า ไปไปก่อนไปก่อนกลับไปก่อนเดี๋ยวจะภาวนาได้บุญแล้วจะส่งไปให้ไม่ต้องมารับนะเดี๋ยวส่งไปให้บางนีออ<ด>นี่เป็นเช็ดรับเอาใจผีนะขอบพระคุณขา่จบเลยก็แล้วกันนะไปภาวนาเอา